วิหารที่ชื่อว่าของสงได้แก่วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์คาว่าฉุดลากคือจับในห้องฉุดลากออกไปไว้หน้าห้องต้องอบัติปาจิตตีจับที่หน้าห้องฉุดลากออกไปข้างนอกต้องอบัติปาจิตตีภิกษุฉุดลากพ้นประตูหลายประตูด้วยความพยายามครั้งเดียวต้องอบัติปาจิตตีคําว่าใช้ให้ฉุดลากความว่าภิกษุสั่งผู้อื่นต้องอบัติปาจิตตี ผู้รับสั่งครั้งเดียวแต่ชุดลากออกไปพ้นหลายประตูภิกษุผู้สั่งต้องอบัติปาจิตตี